บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้ลกล่าวเรื่องนิวรณทั้งห้าประการมาโดยกำลังเพราะจุดประสงค์ในการเจริญสมถกรรมฐานหรือสมถะภาวนานั้นมุ่งที่จะให้นิวรณเหล่านั้นสงบระงับลงไปจากจิตใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการตัด น, นิวรณ์ขาดไปอย่างสิ้นเชิงเพียแต่ศตรใดที่จิตใจมีความสงบอยู่ศาสตร์นั้นนิวรณ์ก็เกิดขึ้นร่วมร่วมใจไม่ได้เราะกิเลสประเภทที่เรียกว่านิวรณ์นี้เองในส่วนที่ละเอียดเราทรงเรียกว่าอนุสัยบังทรงเรียกว่าสังโยชน์บังตลอดทั้งเรียกว่าอาสวะบัง แม้ความรุนแรงจะไม่เหมือนกับนิวร์แต่การทางจิตก็คงตกอยู่ภายใต้อานาจของกิเลสนั่นเองดังเรื่องนี้จึงทรงจำแนกแสดงไว้โดยวิธีการต่างๆบางครั้งก็เป็นการสร้างปัจจัยประกอบเพื่อบุคคลได้ลดเชื้อของนิวร์ตั้งห้าประการเอาไว้ในตอนต้น บางครังจะเป็นการสอนในแนวการสืบสาวถึงที่ไปที่มาของนิวรณ์ในแต่ละขอ้อและศึกษาถึงวิธีการที่จะสรงงบประงับนิวรณ์เราดันให้ได้ซึ่งในภาพปฏิบัติแล้วที่จริงก็ใช้ทั้งในชีวิตประจําวันได้ใช้ทั้งในส่วนของการเจริญกรรมาฐานที่นมิทานิวรณ์ที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนนั้น เป็นนิวณ์ที่ค่อนข้างหนักเพราะเป็นสิ่งที่ติดกับชีวิตคนมาแต่กับเนิดยปนส่วนหนึ่งจึงเป็นความต้องการทางร่างกายส่วนหนึ่งก็เป็นอาการของจิตใจการแก้ไขนิวรณ์จึงมุ่งเน้นไปทั้งสองด้านคือส่วนที่เป็นร่างกายและส่วนที่เป็นจิตใจในส่วนที่เป็นจิตใจนั้น นอกจากจะมีาธาตุของความเป็นผู้ง่วงนอนซึ่งเป็นเรื่องวาสนาของบุคคลเหล่านั้นที่มีการสืบพบสืบชาติกันมาโดยลำดับเจนถือกำเนิดในกำเนิดใดกำเนิดหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องจากตัวอย่างที่ยกไวในวันก่อนถือว่าทานผู้หนึ่งเคยเกิดในกำเนิดของงูมาเมาาื่ัรสนะนิสัยก็กลายเป็นคนง่วงนอนคือง่วงง่ายแ้วก็หลับง่าย ไม่รู้จักอิ่มดยการนอนไม่จะนอนมากยังไงก็ทำนี่แสดงว่าส่วนนี้ก็เป็นเรื่องจิตสันดานของท่านทิสะสมไว้แล้วกลายเป็นลักษณะนิสัยถึงการจะแก้ไขก็คงจะแก้ไขกันได้ยากแม้แต่พระโมคคัลลานเราีระทั้งถือว่าเป็นระดับอักษาวกผู้ใหญ่ของพระพุทธเจ้า แต่ตอนไปเจริญกรรมฐานท่านก็เจอปัญหาข้อดีเหมือนกันเริ่มนั่งกรรมฐานหน่อยเดียวที่จริงในขณะนั้นท่านก็เป็นประโสดาบันแล้วได้ําไปจึงก็ทำให้เราได้หลักประการหนึ่งว่าแม้เป็นพระยาบุคคลระดับโสดาบันไปแล้วนิวรณ์สี่ข้อคือการมาฉันพยาบาททีนมำพิธาและอุตจักขุจจะนั้นท่านก็ยังละไม่ได้ แต่ละได้เฉพาะเพียงวิจิกิชาระดับหยาบๆเท่านั้นเองพระนพโมคกัลลานะแม้เป็นพระโสดาบันในตอนนั้นก็ยังนั่งสงบอยู่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดแล้วก็สงชี้แนะวิธีการแก้ง่วงให้แต่ตามสภาพแวดล้อมที่ท่านเจริญกรรมฐานอยู่ในขณะนั้นเพราะเป็นการเจริญในป่าวิสัยที่จะทำได้ ก็ทรงแบ่งไว้หลายระดับเดียกันใน ต, ตอนแรกทสนใจคําว่าเมื่อความม่วงมันเกิดขึ้นนั้นให้สวดดูว่าจิตเราในขณะนั้นระลึกถึงเรื่องอะไรอยู่มากก็ระลึกถึงเรื่องนั้นให้มากเขาเพ่งปินิดในเรื่องนั้นให้มากเป็นการรวบรวมพลังของสติสัมปชัญญะความเพียรให้ไปอยู่ที่อารมณ์ซึ่งเรากําหนดระดึก จะเจริญสมถะกรรมาฐานสมถะกรรมาฐานอยู่กำลังระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเขาออกก็เพ่งที่ลมหายใจเขาออกให้มากขึ้นในธรรมอย่างนี้ก็สามารถจะแก้กัง่วงได้แต่ถ้ายังไม่ง่วงถ้ายังไม่หายง่วงก็ต้องเอาองค์ธรรมมาสาธยายจะเป็การสวดมนต์หรือการทำวัดต่างๆนั้น เรืสังเกตว่าประสาทเราหลายส่วนได้รวบรวมไว้ใช้ในการสวดมนต์รติก็ทําหน้าที่ระลึกถึงบทสวดมนต์ปากก็ทําหน้าที่สาธยายกายก็ทําหน้าที่แสดงความนอบน้อมวันประสาทสัมผัสเหล่านั้นเมื่อทํางานประสานสัมพันธ์กันจิตใจของบุคคลก็จะมีลักษณะตื่นไปตามบทสวดเพราถ้าเกิดหลับตรงไหนมันก็สวดไม่ได้ แต่ว่าจริงบางครั้งก็ทําได้บางครั้งก็ทําไม่ได้แต่นั้นจึงทรงสอนว่าถ้ายังไม่หายง่วงโดยวิจีนี้ก็ให้แก้โดยวิจีที่เอาน้ํามาลูบหน้าหรือเอามือไปลูบลำตัวมีลักษณะคล้ายๆกับปลุกประสาท ต, ต่างๆให้ตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะบําเพ็ญเพียรต่อไปถ้าทําอย่างนี้ก็จะหายง่วงได้ แต่ถ้ายังไม่หายก็ทรงสอนให้มองดูดาวมองดูจิตทั้งหลายถึงในนอนถ้าอยู่ป่าแล้วก็มองดูดาวมองดูจิตทั้งหลายได้ไง่ายเป็นการเอีย้ยวศีรษะไปเรื่อ ย, ยฝึกประสาทส่วนนั้นก็ทำให้หายความ ง, ง่วงลงไปได้แต่ก็จิงถึงจุดหนึ่งมันก็ยังไม่หายง่วงก็ทรงสอนในรูปของ การเดินจงกรมในจีตต่างๆซึ่งเป็นวิธีการอย่างหนึ่งๆร่อการจเจริญกรรมฐานที่จริงเราก็ใช้ได้ทุกิยปุจจยไม่ได้เจาะจงว่จะยืนหรือจะนั่งหรือจะเดินหรือจะนอนเพราะตัวกรรมฐานที่จ ร, จริงๆแล้วมันอยู่ที่จิตคือไม่ได้อยู่ที่กายเพราะนั้นคว่ากรรมฐานจึงแปลว่าแปลว่าการงานที่บุคคลจะต้องกระทําในทางจิตใจร่างกายนั้นจะเป็นส่วนประกอบแคนั้นเอง แต่ตัวหลักนั่นก็อยู่ที่จิตคนตาจิตสามารถตดีระลึกรู้อารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นได้แม้ด้วยอริยบทยืนอริยบทนั่งอริยบทนอนหรือบางทีกึ่งนั่งกึ่งนอนถืการปฏิบัติกรรมาฐานในปัจจุบันบางสำนักก็จะใช้หลายวิธีด้วยกันแต่วิธีเราด้า น, นก็เป็นเครื่องมือประกอบที่จะดึงจิตให้เกิดความส ง, งบแล้วก็ฝึก ความอดทนความเพียรต่างๆกับตัวเองแต่ถ้าหากว่าทาไปหลายๆอย่างแล้วยังไม่ห ง, ง่วงก็แสดงว่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของกายแล้วกายก็จะเป็นจะต้องพักผ่อนของเขาจึงจะใช้งานจะเขาได้ก็สงสอนได้นอนแต่เป็นการนอนเพื่อเตรียมตัวจะตื่นขึ้นมาเป็นเพียรต่อไป ต้องกำหนดใหนอนแบบสีหัสย่าต์คือนอนตะแคงขวาซ่อนเท้าเหลื่อมกันแล้วก็ตั้งสติสัพชัญญะกำหนดไว้ภายในใจว่ากี่ชั่วโมงตนจะลุกขึ้นแต่มีข้อแม้ว่าพอตื่นต้องรีบลุกขึ้นถ้าไม่รีบลุกขึ้นอาการของความง่วงก็จะมีอิทธิพลมากแล้วก็จะทาให้หลับต่อไปได้ลักษณะเหล่านี้เป็นสังเกตว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่อง ของร่างกายแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นอาการทางจิตใจการแก้ก็มุ่งแก้ในส่วนของจิตใจไปก่อนแต่เรื่องก็ความหลับเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตแม้พระหรันพระพุทธเจ้าทงกาหลับเพียงแต่หลับยังมีสติแต่นันเองจุดตามก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่ว่าระยะบุคคลท่านหลับยังมีสติปุตุชนหลับอย่างไม่ค่อยมีสติ พระเจ้าจึงหลับแล้วไม่ฝันแต่ปุถุชนแล้วหลับลหลับแล้วก็ฝันคือมักจากฝันแบาบงทีก็ฝันมากๆเสียด้วยอีประการหนึ่งนั้นท่านเรียกว่าเป็นอาการของกิเลสคือความเกียดคร้านท่านเรียกว่าคร้านกายคร้านจิตคือลักษณะอืดลักษณะไม่พร้อมของกายและของจิตเป็นภาวะความเฉื่อยที่เกิดขึ้นแก่กายและจิตของบุคคลในขณะนั้น ซึงสืบเนื่องมาจากการทะนุถนอมตัวเองหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อจะรักษาสถานะของตัวเองเอาไว้มันก็ขอให้เกิดอาการอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาที่เรเรียกว่าวิชามพิตาคือการบิดเบือนการเสแสร้งการกล่าวอ้างการตั้งเงื่อนไขขึ้นมาถึงสังเกตว่าจะเป็นคนตั้งเงื่อนไขขึ้นมาเอง เรายอมรับเงื่อนไขเหล่านั้นเองแล้วปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านั้นเองพผลการนี้ใจตัดสินจึงอาศัยตัวเองเป็นฐานไม่ใช่อาศัยความถูกต้องตามธรรมะเป็นฐานเจตั้งเงื่อนไขขึ้นมาว่าวันนี้อ่อนเพลียลึกเกินหรือบ่มเป็นเพียมานานแล้วควรจะพักผ่อนได้แล้วใจก็ยอมรับเงื่อนไขที่ตั้งขึ้นไว้ว่าเออควรจะพักผ่อนได้แล้วควรจะหลับนอนได้แล้ว เราเสร็จแล้วก็จะนอนแต่การปฏิบัติในแนวนี้ท่านถือว่าเป็นวิชมามปิตาคือการบิดเบือนของใจตัวเองมีลักษณะเข้าข้างตัวเองคือสนุตสนองตัวเองแต่ถ้ามีคนอื่นมาร่วมในการตัดสินใจด้วยก็จะมีการวิเคราะห์ไปตามสุขควรแก่กรณีแต่พอเราก็เสนอเองพิจารณาเองแล้วก็ตัดสินเองเรื่องทั้งหมดก็ไปได้เรียบร้อย ในสุดก็ต้องเคลิบหลับไปประการต่อไปนั้นเป็นเรื่องของปตัตตสมภะคือการเมาอาหารได้แก่การรับประทานอาหารมากและที่เคยกล่าวไว้ในวันก่อนสาเหตุข้อนี้เป็นสาเหตุที่ทุกคนสัมผัสได้แล้วเคยเจอมาด้วยตัวเองด้วยกันทั้งนั้นตร่างกายที่หนักโดยอาหารนั้นจิตจะไม่กระปรี้กระเป่าจิตจะเฉื่อยตามไปด้วย ตืสามารถจะตรวจสอบลองสังเกตได้ด้วยตัวเองแต่จำนวนที่เราพูดกันว่านังท้องตึงนั้งตาก็ย่อนทั้งก้อนนี้ก็จะต้องมองไปที่ตัวเหตุแล้วก็แก้ที่เหตุโดยการควบคุมการรับประทานอาหารไม่มากเกินไปและไม่ให้น้อยเกินไปเพราะถ้ามากถ้าน้อยจะมีปัญหาทั้งนั้นเพราะปฏิบัติในทางอุตสาหนาหรือแม้แต่ธรรมชาติของ คนทั้งหลายเกิดจะนับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ตามความสำเร็จในชีวิตที่ไม่มีปัญหาจะต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติในสายกลางแน่นอนคนบางคนเคร่งเครียดเกินไปเกรงครัดเกินไปก็อาจจะประสบความสำเร็จได้แต่ความสาเร็จนั้นจะสร้างความทุกข์ให้มากแล้วอาจจะไม่ยุติด้วยหลักเหตุผลที่มีความถูกต้อง เพราะตามปกติแล้วถ้าใช้ความเพี่ยนพยายามมากเกินไปนั้นใจจะไม่สงบแต่จะฟุง้งซ่านจะวิ่งแล่นหนีอารมณ์เหล่านั้นที่กำลังถูกเสียดแทงหรือไปสนใจใส่ใ จ, ใจอยู่เฉพาะตัวที่เสียดแทงดังลักษณะเหล่านี้ท่า น, นก็สอนให้ไปควบคุมที่การรับประทานอาหาร เนื่องจากนิวรณข้อ น, นี้เป็นกลุ่มของโมฆะด้วยแล้วก็เป็นกลุ่มของโลภะด้วยนนในองค์การประพฤติปฏิบัติจึงมุ่งขจัดในส่วนนี้ออกไปหลักการสำคัญที่ ส, สอนและสงเน้นไว้มากก็คือเรื่องเรียกอารัมพธาตุคือการริเริ่มประลบความเพียรหา ง, งานทําให้ได้ไม่มีอะไรก็หางานนัติเรกอ่านหนังสือถูพื้นกว่าขยะคือว่าไปเร่ พยายามให้กายได้เคลื่อนไหวหจิตใจได้สงบอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในตอนนั้นที่จริงก็ไม่พร้อมจะทำความเพียทรทาร่ในด้านจิตใจมันก็ใช้ส่วนอื่นเพราะจริงๆแล้ววัดปฏิบัติทั้งหลายที่ทรงวางไว้เพิ่งสังเกตว่าจะเป็นพื้นฐานของกรรมฐานด้วยกันทั้งนั้นวัดในพระวินัยนั้นมีตั้งส9อย่างด้วยกัน จวดัดขยะบินทบาทตั้งน้ําชายน้ําฉันจำระวัจกุดีต่างๆไปต้นเนี่ยแต่อย่างนั้นเป็นการรวบรวมความเพียรสติสมัมมิชญยะไว้ในที่นั้นๆแต่ว่าทํำด้วยจิตใจที่จดจ่อแน่วแน่อยู่ในเรื่องเหล่นั้นก็ความสงบก็ก็เกิดขึ้นได้แต่ความสงบบางครั้งนั้นอาศัยการงานที่ท่านกำลังกระกกทำอยู่นั่นเอง ต่ยกขึ้นมาพิจารณาอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งอย่างที่เคยยกตัวอย่างบัณฑิตสามเณรที่บวชเป็นเนตรน้อ ย, อ, ยอายุเพียงเจ็ดขวบบทเรียนของท่านปรากฏว่าเป็นการเรียนจากชาวนาไถน้ำข้าวนาช่างสอนกำลังดัดทุกสอนช่างถากกำลังถากไม้แต่ก็มองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นแม้จะไม่มีชีวิต แต่สายคนซึ่งมีชีวิตมีจิตใจสามารถที่จะดึงน้ำจากที่ต่ำมาสู่ที่สูงได้สามารถจะดัดไม้ซึ่งโคตงออยู่ก่อนให้ตรงสามารถยิงสัตว์ได้ก็เป็นลูกศรได้แต่สามารถที่จะเอาไม้ซึ่งมีรูปรักษณ์ต่างๆมาทาให้เป็นรูปร่างต่างๆได้โดยอาศัยความมีจิตใจของคนทางการฝึกปรื้ จิตใจให้เกิดความสงบนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทำได้และในสุดทั้งก็มาเจริญอาณาปานสติกรรมาฐานจงสามารถบรรลุผลได้ในชั่วตอนเช้าของวันนั้นนั่นเองนี่เป็นการแสดงเห็นว่าอารมณ์ของกรรมาฐานที่ใช้ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ทำยังไงให้จิตใจมันสงบได้ เกี่ยวการปรารุความเพียรที่จะระลึกรู้อยู่ในอารมณ์อะไรก็ตามถึงถ้ามองดูตัวอย่างของพระอารัชันพระยบุคคลทั้งหลายในสมัยอดีตก็จะพบว่าไม่มีรูปแบบอะไรที่แน่นอนคือท่านจะดูอะไรก็ได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันก็ไม่รูปกับนามไม่นามก็รูปในตัวเราไม่รูปกับนามไม่นามกาาม็รูปอารมณ์กรรฐานมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือไม่รูปกับนามไม่นามกาาม็รูป มันคือขึ้นอยู่กับวิธีคิดวิธีระลึกในสิ่งล่านั้นบางท่านอาจจะเพ่งดูที่กระแสน้าซึ่งกำลังไหลอยู่ถ้าเรามองเฉพาะน้าไม่พิจารณาถึงการไหลมันก็เป็นสมถะกรรมฐานเป็นอาโปกสินคือกสินที่เพ่งดูน้ำแต่ถ้าพิจารณาถึงการไหลมันก็กลายเป็นวิปัสสนาคือจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เกล็ดน้ำดอกนั้นใจเช่นพระประตาจราเทรีภิกษุณีก็ดูน้ําซึ่งท่านเทลงบรพืชดินตักน้ํามาน้อยเทลงไปไหลไปได้หน่อยหนึ่งก็ตูดซึมเข้าไปภายในดินตักเพิ่มขึ้นเทลงไปก็ไหลไปได้ไกลกว่าแต่ในสุดก็ซึมลงไปในดินตักขึ้นมาเต็มภาชนะเทลงไปไหลไปไกลๆกกว่านั้นในที่สุดก็ซึมหายลงไปในดิ น, นเหมือนกะัน ติจุดมองก็ขึ้นอยู่จะมองอะไรอะไรที่เป็นปัญหาขัดขวางจิตใจของเราอยู่ในขณะนั้นเขาก็ดึงมามองในจุดนั้นพระประตาจาราเทรีประสบความโศกเพราะการพระพรากจากคนนั้นเป็นทิรักซึ่งแบ่งแล้วก็มีสามวัยด้วยกันลูกสองคนก็อยู่ในวัยเด็กพี่ชายกับสามีก็อยู่ในวัยกลางพ่อกับแม่ก็อยู่ในวัยชราซึ่งก็เปรียบเหมือนน้าที่มีปริมาณต่างกัน แตในที่สุดทุกชีวิตก็ต้องตายเช่นเดียวกับน้ําที่ไหลไปในสุดก็จะซึมเข้าไปสู่ดินคือจะไหลไปมากหรือไหลไปน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยคือปริมาณของน้ําว่ามากหรือน้อยไปลักษณะของดินว่าดูดซึมน้ําได้เร็วหรือดูดซึมน้ําได้ชา้าเป็นต้นแต่จะยังไงก็ตามผลที่สุดน้ํานั้นก็จะหายไปการมองในแนวนี้ก็คือมองในแนวใจรัก เป็นความจริงของสิ่งทั้งหลายที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไม่หยุดหยุ่น chi ึงจุดหนึ่งก็แหลกสลายก่กคุมเกิดขึ้นมาใหม่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นก็ตั้งต้นนับหนึ่งกันใหม่ได้แต่ในสุดมัก็จบลงไปท่านจะเห็นได้ว่าในจุดนี้ถ้าหากว่าปรากฏความเปลี่ยนขึ้นมาจะเอาอะไรก็ได้อย่างาตัวอย่างปเถระรูปหนึ่งชื่อปฏิสระ เป็นพระญาตของพระพุทธเจ้าท่านก็นถือว่าเป็นพระญาศสนิทกับพระพุทธเจ้าออกบดมาก็ค่อนข้างจะเบ่งเป่งวางมาดหรือปัม๊มีปัญหาในด้านความประพฤติของท่านเวลาเกี่ยวข้องคนอื่นท่านมักจะลืมตัวเพราะว่าตัวเองเป็นกรรษัตริย์มาก่อนแต่ถูกตำหนิถูกตักเตือนจากพระพุทธเจ้าบ่อยๆขาใน่สุก็ไปนั่งสมาธิอยู่ นั่งไปได้หน่อเดียวก็นั่งหลับพระเจ้าเสด็จไปข้างหลังลักษณะใกล้ๆก็ยืนข้ามศีรษะก็ยืนข้างหลังท่านเราสั่งตำหนิเจี่เห็นว่าเป็นคนที่ขาดความละอายขาดความรับผิดชอบแสดงสถานะเป็นคนนั่งกระปานแต่วก็จริงก็มานั่งหลับอาศัยขัตติยมานะคือความเป็นกษัตริย์ด้วยกัน การเกิดสำนึกเสียใจยที่ไปเป็นเช่นนั้นก็นั่งตรงนั้นเองแล้วจะเริญวิปัสสนาบรรลุผลในจุดนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าพวกนิวรณ์มันก็เกิดขึ้นมาได้ล้วกันเพียงแต่ว่าเรามองเห็นโทษของเขาหรือไม่แล้วก็เปลี่ยนพยายามลดละไปหรือไม่แต่เห็นว่าความงุ่งมันเกิดขึ้นมาทางนี้เราจะแก้เขาอย่างไง แล้วใช้วิธีนั้นการปรารบความเพียรคือเริ่มทําความเพียรในอะไรอย่างหนึ่งก็ได้คือทุกอย่างนั้นถ้าทำด้วยสติสมัมปจนะมันก็เป็นกระปถานได้เพราะจิตมันก็รวมอยู่ในที่นั้นไม่ได้วิ่งพร่านไปในที่ต่างๆอย่างเวลาว่างๆเวลามือลอยเวลาคิดอะไรมากๆนอนมือกายหน้าผากคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโ น, น้นเราจเห็นว่าจิตมันวิ่งไปไกลแต่ถ้าอยู่กับการทํางาน ถึงงานของเรานั้นบางครั้งก็เป็นงานที่ประณีตงานที่ละเอียดละอออย่างนั้นที่จริงก็เสริมสมาธิคนเป็นนั้นมากในขณะนั้นจิตใจก็ไม่วิ่งพรานไปใหน่รบต่างๆความง่วงมันก็เกิดขึ้นได้ยากตอนในขณะนั้นถ้าเราดูมองดูจิตก็จะเห็นพลังของความเพียรพลังของสติพลังของสัมผัจัญญาพลังของความอดกลั้นอดทน ซึ่งได้เกิดขึ้นคุ้มครองจิตใจของบุคคลผู้นั้นไว้ในขณะนั้ น, น, นมันก็กลายเป็นพลังที่จะจัดความเกียดคราดความง่วงนอนออกไปได้ประการต่อไปนั้นก็คือความจงยกับว่าความบักบัน่นหมายความว่าการเอาจริงเอาจังในเรื่องนั้ น, น, น จะทำงานอะไรก็ตามทำจริงจะถูพื้นก็ถูจริงจะอ่านหนังสือก็อ่านจริงจะเดินจงกรมก็เดินจริงคือเอาจริงทุกอย่างพวกกิเลสนั้นที่จริงกลัวจริงแต่ที่เรามักแพ้แพ้ต่ออนาจกิเลสเพราะเราไม่จริงเช่นสมมติว่าเราตั้งใจจะฆ่าความโกรธได้แลราบอกยินท้วความโกรธว่าความโกรธนั้นมันมีรากเป็นพิษแม้จะมีรสหวานก็ตาม เวลาใครก็ตามทําอะไรไปตามน่าของความโกรธแล้วจะต้องสํานึกเสียใจในการภายหลังเขามีความคิดที่จะควบคุมจิตใจตัวเองเอาไว้แม่โกรธถ้าเราควบคุมได้จริงๆความโกรธแม้จะถูกยั่วยุมาจากข้างนอกมันก็เกิดขึ้นภายในใจเราไปได้เพราะความโกรธก็กลัวจริงเหมือนกันแต่ที่เกิดเป็นปัญหาก็คือว่าไม่จริง นั้นในแนวของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนเรื่องอธิฐานะคือจิตใจที่มีความตั้งมั่นอธิฐานธรรมคือธรรมที่ทำจิตใจเขาโมโหให้เกิดความตั้งมั่นนั้นจะมีปัญญาเป็นตัวนำมีการวินิจฉัยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนแล้วตั้งอธิษฐานใจลงไปที่จะละความชั่วที่จะประพฤติความดีเป็นตน แต่เสแล้วก็ตั้งศัจจ์ไปในขณะที่ตั้งศัจจ์ทิฏฐานหรือศัจจปฏิยานก็ะตังกิเลสเขาก็มีกระปังไม่เปล่าในช่วงนั้นก็จะเกิดขึ้นจะรุกจะพยายามตัดรอนขัดขวางเรื่องศัจปฏิยานเหล่านั้นให้ได้ซึ่งมีบ่อยครั้งที่พ่ายแพ้แล้วก็มีบ่อยครั้งที่ชนะ ตกลงว่าในช่วงนี้มันก็ผลัดกันแพ้ผลัด ก, กันชนะกรนี้ตัวอย่างที่เคยเล่าฟังเรื่องอนาตบินทิกาเศรษฐีที่ไปเฝ้าพระพุทธเจา้าณสีตวันที่กรุงราชสุดสุอารามที่ท่านตื่นเต้นทราบข่าวการอุบัติของพระพุทธเจ้าก็เกิดตื่นเต้นอยากจะเฝ้าแต่ตอนนั้นมันก็เย็นแล้วอีกเคยก็บอกให้รอก่อนก็เฝ้าวันพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาใจท่านร้อน ท่มองเห็นกลางคืนไปกลางวันทั้งทั้งที่มืดแต่ก็มองเป็นสว่างก็เดินรีบออกไปจากกรุงราชเกศโดยพระพุทธเจ้าที่ศรีตะวันซึ่งอยู่ใกล้พระเวฬวันพอเดินไปเดินไปไปเจอมืดข้าวว่าชักปอดชักกลัวเกิดละลาละลังก็หยุดบ้างหันไปมองข้างหลังบ้างหรือตํานองจะไปดีหรือไปไม่ดีไปดีหรือไปไม่ดีท่านก็ทําอย่างนี้ตั้งหลายครั้ง แต่ในที่สุดท่านก็ไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งหมายความว่าช่วงเดินทางนั้นเป็นช่วงที่ถูกแทรกแซง้วยกิเลสต่าก็ปัญญาไม่ได้สอนสองให้ดีการแนะนำให้ไปนั้นจะแนะนำในแนวมิตรนั่นคือลักษณะของกิเลสสมาเขาจะแนะนำในแนวมิตรตลอดไม่เคยแนะนำในแนวสัจคนจะเห็นผลประโยชน์ที่ตนได้ จากการแนะนำของมาในขณะนั้นนั้นแล้วก็มกักจะเน้นไปที่รูปวัตถุเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้มั่นคงจริงๆแล้วก็ไปส ข, ข้อที่นําเสนอนั้นจะคล้ายๆจะได้ง่ายแล้วก็เป็นรูปวัตถุจนคนก็ติดจิตวัตถุอยู่แล้วตรงนี้พระจ้าก็สอนให้มีปัญญาวินิจฉัยอารมณ์ที่เกิดขึ้นมองดูเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นมิตรเป็นศัตรูมาจากบาปหรือจากบุญจากกุศลหรืออกุศล ถ้าอานว่าเป็นพวกกลุ่มความขุศนกรก็จะมาในรูปแปลกยังไงก็ตามคือต้องรู้รู้ให้ไปจักว่าเขาเป็นมารแต่คืนไ ป, ปตามก็ตกเป็นเครื่องมือของเขาอยู่ในอำนาจของเขาแล้วก็จะพยายามสลัดอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ได้ด้วยอำนาจที่เรียกว่าจากักครัจกักก็คือความสละกิเลสออกไปจากใจในขณะนั้นๆแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกรบอยู่ด้วย ตใดที่เราจะนั่เขาไม่เด็ดขาดกิเลสเขาก็รบอยู่เลยเพราะฉะนต้องทําใจสงบจากอารมณ์อันเป็นค้าศึกต่อความสงบเพราะแนวการทํางานในชีวิตประจำวันต่างๆถ้าหากเรรวบรวมพลังจิตเอาไว้ในการงานเราทั้นได้มันก็เป็นอุปกรณต่อการจเจริญกรรมฐานที่เต็มรูปแบบจริงๆเพราะจิตได้ฝึกการตัดอารมณ์เป็นนั้นมาก แล้วก็มาอยู่ที่การงานสกบตามในขนานั้นซึ่งก็ น, นี้มันสังเกตว่าแนวกับมาฐานที่อาจารย์บางพวกเรีนสอนนั้นท่านเอาทุกเรื่องเระของพระเจ้าท่านเอาทุกเรื่องทำยังไงให้จิตใจมันสงบอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ดึงจิตมารวบรวมไว้ในที่นั้นๆทุกเรื่องในกิจวัตรต่างๆไม่ว่าจะถูพื้นจะเย็บจีวรจะซักผ้าจะสนเข็มจะโปรงผมเป็นต้น พูรุปว่าให้มีสติสมัจัญญาความเพียรอยู่ในเรื่องรถนั้นบักบันนั้นเป็นอาการที่มุ่งรุดไปข้างหน้าอาจจะเจออุปสรรคอันตรายเป็นนั้นมากควรทารุณลงอุปสรรคเหล่านั้นไปได้เพราะงั้นบางครั้งพระเจ้าจึงอุปมาความเพียรมืันก็ผ่านไทยแต่เทียบปัจจุบันก็คงจะเหมือนกับรถแท็กเตอร์ที่ตัวที่ดันแบบรถแท็กเตอร์ โดยมุ่งไปข้างหน้าแล้วก็บุกเบิกปัดขวาดสิ่งที่อุปสรรคขัดขวางบนเส้นทางการปฏิบัติของตัวเองโดยบาไม่หวาดหวัว่นต่ออุปสรรคอันตรายเหล่านั้นแล้วก็ทรงเน้นอีกจีนหนึ่งว่าดัานหะประรักข้คือเอาบาดปั่นอย่างเอาจริงเอาจังเพราะการสู้กับกิเลสนั้นเราจะพบว่ามันเหมือนกันน้ําที่ไหลมาเราจะปะทะเขาไว้ได้ การปารักกันกระแสน้ํานั้นพวกเขื่อนพวกคันกั้นจะต้องเข้มแข็งเราจะต้องมีการตรวจสอบจุดอ่อนต่างๆซึ่งน้ําอาจจะทักตะลักล้นออกมาเพราะการเพ่งมองในจุดนี้หรือการพยายามเสริมในจุดนี้เพื่การดึงจิตให้เกิดความสงบจิตเดียวกันลักษณะของจีนมิทะบางอย่างจึงเป็นเรื่องของความเกียจคร้าน สรุปว่าอาการกสิทธตตินามิตามื่เกิดขึ้นมันก็หยุดการทํางานเราเคลื่มหลับไปทํา น, นองเดียวกับวิจิกิจสามท่านศาสตร์จนหลายลองสังเกตว่ากิเลสประเภทการมัจฉานั้นวิ่งไปขา้างหน้ากิเลสประเภทโทสะนั้นมีลักษณะปัดหรือปฏิเสธหรือผลักออกไปแต่กิเลสประเภทตินามิตาเป็นกิเลสประเภทหยุดอยู่กับที่ กายจิตจะไม่พร้อมที่จะไปที่ตินใช้ว่านั่งแฉะในที่นั่งนอนแฉะในที่นอนยืนแฉะในที่ยืนไหนจะนอนมันก็พริกไปพปริก่างั้นเองเพราะความง่วงจะครอบงำอยู่เพราะกีเลยประเภทนี้จะไม่มีการก้าวรุดไปข้างหน้าแต่จะหมุนอย่างอุตจักกุกจะในมีลักษณะหมุนวิจิติจฉาความเครืบแครงสงสัยนั้น ไปไหนไม่ได้คือจะหยุดจุกที่ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อ